คอลัม์เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวโดยดังตรินถามอยากทราบว่ากรรมอะไรที่ทำให้เสียงแหบตอบกรรมที่ทำให้เสียงไม่เพราะก็เกี่ยวข้องกับมุสาวาดและวจีทุจริตนั่นเองครับทั้งโกหกทั้งพูดหยาบทั้งพูดส่อเสียดทั้งพูดเพอ้อเจอมีส่วนทั้งนั้นเอาเฉพาะที่เห็นและพิสูจน์ความเปลี่ยนแปลงได้ในปัจจุบันนะครับที่ผมเห็นมา คือพวกชอบตะคอกเป็นนิสัยกระทั่งจิตผูกอยู่กับการตะคอกคนทนเสียงจะเค้นหนักฟังเจือด้วยโทสะอยู่ตลอดเวลาทั้งที่แก้วเสียงจริงอาจมีประกายเป็นกังวาลสนอได้มากกว่านั้นวิธีลองแก้ชั่วคราวให้นั่งหน้าพระพุทธรูปทำจิตใจให้มีความงามของพระปฏิมาเป็นที่ตั้งและเปล่งเสียงสวดมนต์ด้วยใจเคารพ ผ่อน ล, ลมหายใจออก ช, ช้าๆเพื่อเน้นปลายเสียงให้ชัดถ้อยชัดคำจะแตกต่างจากตอนตะคอกที่ผ่อน ล, ลมหายใจเร็วเพื่อกระแทกเสียงให้ฟังดุดดันหากคุณสวดไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกถึงประกายในแก้วเสียงสดใสก็ขอให้จำทั้งจิตอันอ่อนโยนและวิธีเปล่งเสียงแบบนั้นไว้เพื่อใช้ในการพูดปกติชัดถ้อยชัดคาแบบไม่เสแสร้งแกล้งดัดจริตให้เสียงเพราะ ส่วนวิธีแก้ถาวรคือคุณต้องตั้งความคิดไว้ว่าจะไม่ตะคอกคนอีกเลยไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจะมีแต่การเลือกวิธีใช้เสียงในลักษณะปราณีหากคุณฝ่าด่านความโกรธโดยไม่ใช้เสียงตะอคอกได้สักสิบครั้งก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในแก้วเสียงตัวเองอย่างชัดเจนหมายเหตุด้วยว่าถ้าเสียงแหบเพราะเหตุขัดข้อง หรือข้อบกคร่องทางกายภาพอื่นๆวิธีแก้ข้างต้นอาจไม่ได้ผลทันตาในปัจจุบันแต่แน่นอนว่าต้องส่งผลในการข้างหน้าอย่างไม่ต้องสงสัย